ในหน้าห้า้ห้าบสข้อความในหน้าห้า้อห้าสบสามกล่าวต่อไปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่ตรัสไว้แล้วว่าเราได้เสวยทุกข์และเสวยสมบัติมากมายหลายอย่างในพบน้อยพบใหญ่ตามนยยะที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ตามเรื่องราวที่เป็นตัวอย่างมาพอเป็นตัวอย่างอย่างนี้ แล้วจึงได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดเราได้ให้ทานอันควรให้บำเพ็ญศีลโดยหาเศษไม่ได้ถึงเนคขมะบารมีแล้วจึงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดเราสอบถามบัณฑิตทั้งหลายทําความเพียรอย่างอุกฤตถึงขันติบารมีแล้วจึงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุด เรากระทําอธิษฐานอย่างมั่นตามรักษาสัจจวาจาถึงเมตตาบารมีแล้วจึงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดเราเป็นผู้มีจิตเสมอในลาบและความเสื่อมลาบในยศและความเสื่อมยศในความนับถือและการดูหมิ่นทั้งปวงแล้วจึงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียรตคร้านโดยความเป็นภัย และเห็นการปรารุความเพียรโดยเป็นทางเกษม ok แล้วจงปรารุความเพียรเถิดนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทาาัท้ทงหลายท่านทั้งหลายจงเห็นความวิวาทโดยความเป็นภัยและเห็นความไม่วิวาทโดยเป็นทางเกษม ok แล้วจงกล่าววาจาอ่อนหวานสมัครสมานกันเถิดนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงเห็นความประมาทโดยความเป็นภัยและเห็นความไม่ประมาทโดยเป็นทางเกษมแล้วจงเจริญมัตย์อันประกอบด้วยองค์แปประการเถิดนี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสาคาถาหลังนี้ถือว่าเป็นคาถาที่เป็นจะเรียกว่าเป็นคาสั่งก็ได้เป็นคําสอนก็ได้ทั้งสั่งทั้งสอนให้เห็นความเกียดคร้านว่ามีภัย เห็นความวิวาดว่าเป็นภัยเห็นความประมาทว่าเป็นภัยให้เห็นความเห็นการปรารบความเพียรว่าเป็นทางแห่งความปลอดภัยการไม่ทะเลาะวิวาทเป็นทางแห่งความปลอดภัยและความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความปลอดภัยเมื่อดำรงอยู่ในความไม่ประมาทอย่างนี้แล้วเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ถ้าทําอย่างนี้ได้จัะทําที่สุดแห่งทุก์ได้ ในอัตตกธานหน้าห้า้อยห้าสบที่พระองค์ตรัสเล่าว่าดูก่อนสารีบุตรในครั้งนั้นเราเป็นพระโพธิสัตว์มหสินาเชื่อว่าสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เพราะสแสวงหาโพธิสมภารสัมภาระที่จะช่วยให้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีฐานบารมีเป็นต้นแต่และอย่างนี้ทำด้วยความ ยิ่งใหญ่จริงๆโดยวิธีนี้ได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วเหมือนอย่างที่แสดงแก่เธอในบัดนี้แหละที่แสดงให้ฟังเนี่ยทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะว่าบัดนี้พระพุทธเจ้าเพื่อแสดงถึงประโยชน์ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีประโยชน์ที่พระองค์บำเพ็ญทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อโพธิญาณเพราะฉะนั้นประโยชน์ประโยชน์ที่พระองค์ต้องการอย่างแท้จริงก็คือประโยชน์คือโพธิญาณ พระองค์ทำทุกขระกิริยากิริยานี่แปลว่าความประพฤติทุกขระคือทํายากพระองค์ทําสิ่งที่พระองค์ทํำยากที่กล่าวแล้วอ น, นะในคัมภีจริยาปิฎกหรือที่ไม่ได้กล่าวในคัมภีจริยาปิฎกพระองค์ประพฤติปฏิบัติเป็นไปตลอดกาลนานด้วยการบําเพ็ญบารมีนั้นให้บริบูรณ์รวมเป็นอันเดียวกันโดยสังเขปเรียกว่าพูดสรุปทั้งสี่อสงไขยแสนกับย่อว่า เราได้เสวยทุกและสมบัติมากมายหลายอย่างในพบน้อยและพบใหญ่ตามนัยยะที่กล่าวแล้วจึงได้บรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดคำว่าเสวยทุกเสวยทุกอะไรบ้างทหิวิทังทุกขังทุกหลายหลายอย่างหลายประการเช่นบางชาติก็มีใบหมักเม่าเป็นอาหารเช่นเมื่อครั้งเป็นอกิติบัณฑิตเป็นต้น หรือด้วยการอดอาหารเพราะอะไรเพราะให้ใบหมักเมา่แก่ยาจกคือผู้ขอกินแต่ใบหมักเมา่นี่ก็ถือว่าทุกพอแล้วอนะหนักกว่านักมหามังสวิราติกันนะกินแต่ใบหมักเมา่เหมือนกันเสร็จแล้วก็ไอใบหมักเมา่ที่มีน้อยนั้นก็ยังให้ทานไปหมดเลยหรืออันนี้นี่ยกตัวอย่างว่าทุกขแล้วก็อีกละอย่างที่ทุกเนี่ยนะทุกแค่ไหนก็โอหลังน้ําตาเนี่ยไม่ใช่น้อยครั้ง เงือท่วมเลือดไหลซิกเป็นต้นเนี่ยนะจนถึงหัวขาดพิการเกิดวัตรเสียสละละอย่างสเสวยทุกเป็นอนเนกเสวยทุกเป็นอันมากตลอดระยะเวลาสีอสงไข่นี่นะทุกจริงๆริะนะอย่างน้อยที่สุดก็ทุกเพราะชาติชราและมรณะกระดูกพับถมแต่ละกลับแต่ละกลับก็กองโตกว่าภูเขาแล้วตลอดสี่อสงไข่แสนกลับเนี่ยนะกระดูกกองโตขนาดไหนกว่าจะ สร้างบารมีเนี่ยนะคือการสร้างบารมีของคนภายนอกกับของพระพุทธเจ้านี่ต่างกันบุคคลภายนอกนั้นร้องเรียกหาบารมีจากภายนอกคือบุคคลทั่วๆไปเนี่ยนะเวลาจะเรียกร้องหาบารมีอานบารมีก็คือฤทธิเดชอำนาจอะไรคล้ายๆแบบเนียนะจะร้องเรียกหาจากภายนอกนะว่าผู้มีบารมีมากก็คือภายนอกยอมรับมากก็เรีย ก, กว่าเป็นผู้มี บารมีมากก็เลยมัวแต่สั่งสมรวบรวมแต่วัตถุภายนอกมากๆเพื่อตัวเองจะได้มีบารมีมากอันนั้นคือชาวโลกแต่ของพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระองค์สแสวงหาบารมีจากคุณธรรมภายในใจของพระองค์สแสวงหาทาน ก, กุศลที่เกิดจากใจของพระองค์ แสวงหาศีลแสวงหาเนคขมมะแสวงหาปัญญาแสวงหาวิริยะแสวงหาคติแสวงหาสัจจะแสวงหาอธิษฐานแสวงหาเมตตาแสวงหาอุเบกขาจากใจของพระองค์บารมีเนี่ยที่พระองค์แสวงหาคือแสวงหาคุณธรรมที่อยู่จากใจของพระองค์พระองค์สร้างใจของพระองค์ให้เป็นบารมีไม่ใช่มีบารมีโดยการไปร้องเรียกหา ผู้อื่นมาช่วยสร้างบารมีแก่ตัวไม่ใช่ไม่ใช่การสร้างบารมีโดยการเที่ยวขอความช่วยเหลือเหมือนกับขออดอยากอะไรนั้นฮะไม่ใช่ทําตัวแบบอดอยากแล้วก็เที่ยวแสวงหาทําตัวขอทานมาช่วยสร้างบารมีหน่อยนะมาช่วยบริจาคให้ข้าพเจ้าหน่อยอนนท่านทั้งหลายจะได้สร้างบารมีไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นเพรานแสวงหาการให้แสวงหาว่าทําอย่างไรตัวเองจะมีโอกาสได้ให้ทําอย่างไรจะได้ รักษาศีลเพราะฉะนั้นบารมีของพระองค์เนี่ยนะที่ทรงสั่งสมมาสีอสงไข่เนี่ยพระองค์ขุดเรียกว่าสแสวงหาคุณธรรมจากใจของพระองค์ไม่ใช่สแสวงหาการนับถือถ้าพระองค์สแสวงหาการนับถือเนี่ยพระองค์เป็นเจ้ า, าศาสดาตั้งหลายชาติเป็นาศาสดาผู้ยิ่งใหญ่อยู่แล้วถ้าหากว่าการนับถือเป็นการอ่เป็นความสาเร็จในการสร้างบารมีแต่ไม่ใช่ การนับถือเป็นต้นไม่ใช่ตัวบารมีตัวบารมีคือคุณธรรมที่อยู่ในจิตใจที่พระองค์สั่งสมอบรมแต่ละอย่างก็ทำแบบแรกด้วยร่างกายแรกด้วยเลือดเนื้อตลอดจนถึงแรกด้วยชีวิตก็ไม่ใช่ชาติเดียวชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่าลในการสั่งสมคุณธรรมที่มีอยู่ในใจสั่งสมทานกุศลกุศลที่เกิดจากการคิดจะให้คิดจะให้ สังสมศีละกุศลที่เรียกว่าสังวรสังวรสังวรปิดกั้นห้ามบาปผ้ า, ามอกกุศลเพิ่มพูนจิตคิดจะออกจิตคิดจะออกเพิ่มพูนในความคิดจะออกเพิ่มพูนความรอบรู้เพิ่มพูนสติปัญญาอยู่ตลอดเวลากระทําบุญกุศลเหล่านี้ทําด้วยความภาคเปลียนอุตสาหะไม่ย่อท้อไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยนะกระทําด้วยความบากบั่นแล้มั่นคงทําอย่างมีน้ําอดน้ําทนมีความ กล้าหาญอดทนอย่างเป็นเลิศไม่บน่นเนี่ยนะไม่เสียใจไม่ตำหนิเป็นคนที่เรียกว่าไม่ให้ทุกข์ให้โทษให้ภายแก่ใครจะไม่เคยบอกว่าโอ้ฉันบำเพ็ญบารมีไม่ได้เพราะเพราะอะไรมีไหมพวกนี้มาขวางบารมีของฉัน้นมีไหมตั้งการเรียนมาเนี่ยในจริยาปิดกเออพวกนั้นขวางขานบารมีของฉันขวางศีละบารมีของชั้นเป็นต้นไม่จะไม่มองเหตุการณ์ภายนอกเป็น อุปสรรคในการเจริญกุศลเพราะท่านเป็นผู้ที่มีความอดทนเป็นเยี่ยมมีสัจจะที่เที่ยงแท้และแน่นอนเพรท่านเพิ่มพูนคุณธรรมของท่านอย่างนี้จนกว่าคุณธรรมคือจิตใจเนี่ยนะจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคิดดูว่าจะต้องสร้างขนาดไหนสร้างใจอะนะงานตัวอื่นๆสร้างวัตถุภายนอกสร้างตึกใช่ไมเอาหินเอาอิดเอาดินเอาปูนเอาทรายมากองๆ ก, ก็ ถ้ามีบุญก็ทำไม่ยากก็สำเร็จแล้วแต่สร้างใจนี่สิสร้างใจถ้าสร้างให้แค่สงบเฉยเฉยมันก็ไม่น่าจะยากแต่นี่มันสร้างทั้งคุณธรรมทั้ง1ิบประการสร้างทั้งทานนกุศลศีลและกุศลเป็นต้นเนี่ยนะจนกว่าคุณธรรมเหล่านี้เต็มเปี่ยมได้เป็นพระพุทธเจ้าทีนี้ไอการสร้างคุณธรรมทางจิตใจเนี่ยนะชีวิตที่ที่จะต้องไปเกี่ยวข้องจะต้องไปเดินไปประสบพอปะในสังสารวัฏนี่จะทุกข์ขนาดไหน ผู้ที่อยู่ธรรมนานี่ก็ทุกแต่ละชาติแต่ละชาติเราก็เห็นอยู่แล้วนะยังก็ถามดูเถอะคนในโลกนี้ที่เกิดมาเนี่ยนะมีความสุขสักกี่คนหนอไม่ทุกทางกายก็เศร้าโศกเสียใจไม่ทุกกายก็ทุกใจไม่โศกกะก็ปริเทวะไม่ข้ออุปายาตประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักพลัดพรากจากของรักปรารถนาแล้วไม่สมหวังเป็นต้นแต่ว่ารวมๆก็คือบริหารตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นตัว ตัวทุกข์สรุปว่าเกิดมาในโลกก็แบกแต่กองทุกข์ทีนี้ไอ้ทุกข์เหล่านี้มันไม่ได้มีแค่ชาติเดียวกว่าทุกข์ทุกข์เท่าไหร่สี่อาสงไข่แสนกับเพื่อเพิ่มพูนกุศลธรรมในใจของตัวสร้างฐานคือกุศลธรรมภายในใจจนได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าจนได้สําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพรานพระองค์บอกว่าพระองค์เนี่ยเสวยทุกข์มากมายหลายอย่าง ถ้าใช้คําว่ามากของพระพุทธพจน์แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะทุกข์ขนาดไหนบางแห่งพระองค์บอกว่าโพธิญาณของพระองค์เนี่ยนะได้มาโดยยากนะได้มาโดยยากมีไหมทานที่ไม่เคยให้ไม่เคยมีศีลที่ไม่เคยรักษาไม่มีเนคขมมะที่ไม่เคยเจริญไม่มีปัญญาที่ไม่ได้อบรมไม่มีความภาคไม่เคยมีความท้อแท้พระองค์กระทาคุณธรรมเหล่านั้นจนเต็มเปี่ยมจึงได้ตรัสรู้พัน คิดว่าเจริญคุณธรรมเพื่อสร้างจิตใจเนี่ยนะคิดดูว่าทางร่างกายจะลําบากขนาดไหนกว่าจะได้คุณธรรมเหล่านั้นแต่บุญก็คือบุญสิ่งที่พระองค์ทํำนี่ให้ผลเป็นสุขไหมกุศลทุกชาติที่พระองค์ทำเนี่ยนะให้ผลเป็นสุขใช่ไหมบอกใช่พระองค์ก็บอกว่าเราได้เสเวยสมบัติมากมายหลายอย่างเพราะผลแห่งบุญเหล่านั้นทําให้พระองค์ได้เสเวย สมบัติเช่นเป็นพระเจ้ากุรุเป็นต้นเนี่ยนะเป็นอะไรนะพระเจ้ามันธาตุราชที่สวยสมบัตินี่นะเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สวยความสุขนานที่สุดในสวรรค์ถามว่านานแค่ไหนท้าสกะตายสามสิบหกองค่ะคิดง่ายๆว่ะสวรรค์ชั้นดาววดึงเนี่ยนะมีอายุเท่าไหร่สาสบหกล้านปีสามสิบหกล้านปีคูณสามสิบหกอีกครั้งหนึ่งนะนั่นแหละท่านสวยสุขอยู่นานขนาดนั้น ส6ิหกล้านปีสาสิหกครั้งเลยนะี่สมัยนั้นมนุษย์มีอายุเป็นอสงไขปีมนุษย์อายุยืนมากจนลืมตายอะ่ะท่านท่านสวยสุขอย่างเดียวยอย่างเช่นพ้าเจ้ามันทาตุราชแล้วก็สมบัติอื่นๆ อ, อีกเช่นมหาสุทัศนะเป็นต้นเกียวสวยความสุขเหมือนกับเท้าสักกะพระองค์นั้นท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ในภพที่เจริญภพที่เสื่อม แล้วก็เดือดร้อนด้วยทุกข์หลายอย่างถึงขนาดว่าสเสวย อ, อยู่ในภพน้อยภพใหญ่เนี่ยนะมีทุกไหมบอกว่าทุกแต่ก็ไม่เดือดร้อนด้วยทุกข์หลายอย่างอธิบายว่าคนทั่วๆไปเนี่ยนะถ้าตัวเองมีความทุกเนี่ยนะมีเหตุผลสมควรต้องไม่เจริญบุญใช่มสมมติถ้าไม่สบายก็มีเหตุผลที่จะต้องไม่ทำบุญ มีเหตุผลอธิบายได้ว่าไม่จำเป็นต้องให้ท่านไม่จำเป็นต้องรักษาศีลถ้าไม่สบายนี่มันอ้างได้อ้างเมียอธิบายได้ว่าไม่ต้องทำบุญเพราะไม่สบายแต่ท่านบอกว่าไม่เดือดร้อนด้วยทุกข์หลายอย่างทุกเหล่านั้นถึงจะมีก็จริงอยู่แต่ไม่เป็นอุปสรรคในการเจริญกุศลเพราะฉะนั้นความทุกเหล่านั้นในพบน้อยพบใหญ่จะไม่เป็นข้อแม้ว่าทากุศลไม่ได้ เพราะในบรรดาท่านสมาทานเนี่ยนะท่านท่านก็เก่งนะท่านสมาทานบารมีไว้สิบข้อเพราะฉะนั้นมันจะต้องได้หนึ่งอย่างในบรรดาบารมีสิบเพนถ้าป่วยแล้วจะต้องได้หนึ่งอย่างจากการป่วยอย่างน้อยก็ได้ตั้งหลายบารมีจากความเจ็บป่วยวันถ้าป่วยนี่จะเจริญบารมีอะไรมาไล่ดูทานศีลเนคคัมมะปัญญาวิรยิยะขันติสัจจะทิฐาน เ, เมตตาอเาุเบกขาเนี่ยนอนสมป่วยป่วยอยู่หน้าจะได้สักข้อหนึ่งนะได้ไหมสมาทานศีลได้ไหม ได้ทําไมจะสมาทานศีลไม่ได้เจริญเมตตาได้ไหมได้โอ้ไม่เป็นอุปสรรคเลยแม้แต่นิดเดียวนะที่จะบําเพ็ญบารมียามเจ็บป่วยท่านบอกว่าถึงประสบความทุกข์มากมายอย่างนั้นท่านก็ไม่เดือดร้อนไม่เป็นเหตุผลอธิบายว่าไม่ต้องเจริญกุศลนอนเกลือกกลั้วอยู่ด้วยบาปและอกุศลไม่เลยขณะเดียวกันไม่ถูกฉุดค่าด้วยสมบัติหลายอย่าง คำว่ไม่ถูกฉุดคร่าด้วยสมบัติบางคนเนี่ยนะมัวแต่ติดความสุขจนทําความดีไม่ได้ถามว่ามีสมบัติอันไหนบ้างที่เป็นเหตุผลฉุดให้ท่านไม่ได้ให้ทานรักษาศีลเป็นต้นประสบอยู่ในโลกกระทำฝ่ายดีจนท่านไม่ทําบุญเลยปล่อยปละละเลยประมาทไม่ยอมเจริญคุณงามความดีนี่มีไหมบอกไม่มีเนีย่ยนะสรุปว่าท่านไม่เดือดร้อนด้วยความทุกข์หลายอย่างถึงอย่างนั้นก็ไม่ถูกฉุดคร่าด้วย สมบัติหลายอย่างเป็นผู้ขวนขวายในการบำเพ็ญบารมีปฏิบัติข้อปฏิบัติอันสมควรแก่บารมีเหล่านั้นจึงได้บรรลุอนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณอย่างสูงสุดคือพระสัพพัญญุตยานอนุตตระแปลว่าไม่มีอะไรจะยิ่งกว่านี้อีกแล้วท่านบอกว่าอรหัตมรรมของบางท่านให้ผลเป็นสุขวิปสกอรหัตมรรของบางท่านให้ผลเป็น วิชาสามบางท่านให้ผลเป็นปฏิสามพิทาสี่บางท่านให้ผลเป็นอภินยาหกบางท่านให้ผลเป็นสาวกกโพธิยานบางท่านให้ผลเป็นปัจเจกกโพธิยานของท่านอนุตตะเนื้อกว่าบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดแล้วก็สัมมาสัมโพธิยานตรัสรูโ้โพธิคืออริยมรรคที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วก็เป็นฐานอย่างดีแห่งสัพพัญยุตยานนะสัพพัญยุตยานที่เป็นเหมือนกับ เป็นที่มหาวชิรยานเนี่ยนะยานที่เป็นประดุษเพชรเนี่ยนะเจาะแทงทะลุบอกว่าสัพพัญญุตยานของพระองค์เนี่ยรู้สรรพสิ่งไม่มีติดไม่มีขัดเลยนี่มาดูว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคเมื่อแสดงถึงความที่บารมีที่พระองค์บำเพ็ญทุกรกิริยาทำด้วยความเหนื่อยยากทำด้วยความลำบากสิ้นกาลนาน เพื่อให้บริบูรณ์ให้เต็มเปี่ยมโดยไม่มีเหลือทำทำจริงๆอนะอย่างที่รู้กันแล้วว่าทํามากทําจริงๆและความที่ผลที่ควรบรรลุพระองค์ก็ได้บรรลุแล้วเรียกว่าเหตุสัมปทาความถึงพร้อมด้วยเหตุพระองค์ก็ทําเต็มที่สมบูรณ์แล้วแล้วก็ผลผลคือสัพพัญญุตยานพระองค์ก็ได้เสร็จแล้วเพราะการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นผล การสร้างบารมีทั้งหลายเป็นเหตุเหตุอันนั้นทํทำด้วยความเหนื่อยยากลำบากก็คิดดูนะผู้ที่สะสมพภกทระซับเนี่ยนะจะรวบรวมโภกทระซับได้ก็ไม่ใช่ว่าจะสบายๆใช่ก็ทำด้วยความเหน็บเหนื่อยอาบเหงื่อตางน้ำกว่าจะรวบรวมโภกทระซับได้ฉันใดผู้ที่รวบรวมอริยทรัพย์ก็ฉันนั้นก็ไม่ได้ง่ายหรอกเนี่ยนะก็เลยใช้คำ ว, ว่าทุกขระกิริยาทำด้วยความเหนื่อยยากทำด้วยความลาบาก สรุปเป็นบา ร, รมีย่อๆว่าเราได้ให้ทานอันควรให้บำเพญ็ญศีลโดยหาเศษไม่ได้ไม่มีเหลือแม้แต่นิดเดียวถึงเนคข ม, มะบา ร, รมีแล้วจึงบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดหมายว่าเต็มเปี่ยมเลยนะจึงบรรลุได้เราสอบถามบัณฑิตทั้งหลายทําความเพียรอยู่อย่างอุกฤษถึงขันติบา ร, รมีแล้วจึงบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุด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 เราได้ให้ทานอันควรให้ความว่าในกาละนั้นเราได้สละทยธรรมทยธรรมมีอะไรวัตถุภายนอกอะนะมีราชสมบัติเป็นต้นอันเป็นภายนอกเขาบอกว่าขณะราชสมบัติยังให้และอะไรที่รองเล่าย่อลงมาไม่มีให้เขาเรียกว่าของภายนอกตัวเนี่ยนะนอกตัวนี่นับตั้งแต่อะไรเสื้อผ้าออกไปเลยเนี่ยนะตั้งแต่เสื้อผ้าไล่ไล่ออกไป ข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างอนาจักแวนแขวนทั้งหมดให้ได้หมดเลยนะนะเรียกว่าได้สละไทยธรรมของที่ควรให้ภายนอกละสละมหาพูดนี่สละจริงๆเลยนะอันนี้ภายในบ้างอวัยวะทั้งหลายและดวงตาเป็นต้นในภายในนะดวงตาก็ควักให้มีรายละเอียด่าหัวใจให้ตัดหัวที่ประดับตกแต่งเสร็จแล้วให้ ที่พระโพธิสัตว์ผู้บันเป็นปฏิปทาอันเป็นญาณที่เลิศญาณนะญาณเนี่ยนะญาณก็คือยวดญาณภาหณะที่เลิศเขาบอกว่าถ้าเทียบกับที่เรียกวิญาณาชั้นเลิศเนี่ยเทียบกับอะไรเทียบกับสาวกกับโพธิญาณเทียบกับปัจเจกับโพธิญาณสัพพัญญุตญาณสัมมาสัมโพธิญาณของพระองค์นี้ถือว่าเป็นญาณอันเลิศบารมีทั้งหมดที่ทำเนี่ยเพื่อบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ จากนั้นก็ได้บริจาคทานมีประเภททานะบารมีทานะอุปปารมีทานะปรมัตถารมีมีมหาบริจาคเรียกว่ามหาบริจาคการบริจาคใหญ่ๆตอนนั้นมาจากมหามหาบริจาคห้าอย่างเต็นที่สุดเช่นบริจาคราชสมบัติบริจาคอวัยวะบริจาคในตาบริจาคบุตรพริยาบริจาคตนเองคือบริจาคชีวิตสละชีวิตไปเลย การให้นี้เป็นการให้อย่างไม่มีส่วนเหลือไม่มีปริมาณอัตภาพที่พระมหาบุรุษบําเพ็ญฐานะบารมีที่กล่าวมาแล้วนะไม่ต้องนับชาติว่าพระองค์ให้ทานกี่ชาติด้วยกันคือถ้าให้แต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยสละทุกอย่างในการให้ให้ก็บอกว่าสมบัติที่มีอยู่แต่ละชาตินี่ยกให้หมดยกให้หมดแล้วให้อย่างนี้ไม่ได้ให้อยู่ชาติเดียวเพราะนนั้สิ่งที่พระองค์ให้นี่ถามว่า เท่าไหร่ก็บอกว่าไม่ต้องเอาอะไรเป็นนับไม่ต้องเอาเอาอะไรนะมูลค่าเอาราคาเป็นต้นไปนับอย่างเช่นราชสมบัตินี้มีราคาเท่าไหร่ก็ตีราคาไม่ได้อยู่แล้วเมื่อถามว่าแผ่นดินทั้งโลกท่านยังให้เลยแล้วก็ไม่ได้ให้ครั้งเดียวด้วยนะถ้าให้ครั้งเดียวเออตัดใจยอมสักครั้งก็พอแต่นี้ไม่ได้อย่าง น, านั้นทำอย่างนี้เนี่ยนะตลอดยืดยาวนานหรือแม้กระทั่งว่าเป็นอกิจติ พามเป็นสังกะพราหมณ์แม้กระทั่งในกาลละเป็นวิสัยหาเศรษฐีหรือเป็นเวลามาพราหมณมันถาทานสูงสุดเลยคืออะไรถ้าเทียบว่าผู้ที่ให้ให้ในบรรดาการให้ถ้าให้ชีวิตได้ก็ถือว่าสุดยอดของการให้แล้วทานบา ร, รมีของพระโพธิสัตว์เช่นเป็นสร ะ, ะบัณฑิตคือเป็นกระต่ายที่สละตัวเองว่าเราเห็นยาจกเข้าไปขออาหารจึงสละตน ขออาหารยกร่างกายให้เลยผู้เสมอด้วยทานของเราไม่มีนี้คือฐานะบา ร, รมีของเราคิดดูนะกระต่ายเนี่ยโดยทั่วทั่ไปยังไงมันก็ถูกฆ่าแต่ศาสตร์บัณฑิตท่านเก่งเออมันก็ตายตำนานดับตายแล้วได้บุญดีกว่าคืออันที่จริงเนี่ยนะว่ า, าการสร้างบา ร, รมีเนี่ยมันอยู่ที่คิดจริงๆถ้าคิดมันก็เป็นบุญไอ้กิริยาสูญเสียเหมือนกันอีกคนหนึ่งบอกได้บุญอีกคนหนึ่งบอกว่าสูญเสียมันอยู่ที่คิด การให้ก็เหมือนกันอย่างก็ว่าใครที่ไม่ให้แล้วไม่บริจาคไม่เสียสละแล้วของเหล่านั้นจะอยู่กับตัวเองตลอดไปอย่างนั้นใช่ไหมไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกแต่ไอๆสูญเสียโดยที่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยโศกปริเทวะแต่ถ้าสูญเสียแบบบริจาคแบบให้เนึกแล้วก็ปีติและสมนัสมันก็ไอหมดเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าให้ผลทางจิตใจที่แตกต่างกันยังชีวิตเนี่ยนะ ใครบ้างที่เกิดมาแล้วไม่ตายเออท่านก็บอกว่าท่านสละชีวิตสิให้เป็นทานท่านก็ได้บุญก่อนตายก็กลายเป็นบุญไปไอ้คนหนึ่งก็ตายฟรีเนี่ยนะตายฟรีเนี่ยแบบอะไรนะทุรนทุรายดิน้นรนกระวนกระวายในที่สุดก็ตายเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้บุญอะไรเลยกลับติดข้องแล้วไปอบายเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งอีกคนหนึ่งก็ตายแล้วตายแล้วแบบตายแบบได้บุญอนะ่ะอีกคนหนึ่งตายแบบไม่ได้อะไรเลยตายฟรีวหมงอนกันเถอะ ฟรีจริงๆเนะเพราะว่าสูญเสียเปล่าประโยชน์โดยที่ไม่ได้อะไรเลยแต่พระโพธิสัตว์ท่านบอกว่าท่านได้ประโยชน์นั้นอยู่ที่ว่าความคิดที่จะให้มีไหมบางทีวันๆหนึ่งเราก็หมดหมดหมดหมดไปเหมือนเดิมนี่นแหละจ่ายจ่จเหมือนเดิมนี่นแหละแต่อีกพักหนึ่งเออจ่ายแล้วเป็นบุญหมดเท่าเดิมนี่แหละแต่อีกความนึกแล้วปลื้มใจได้บุญอีกทีหมดแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยอย่างนี้นะก็คิดให้ดีนะว่าเออเราทํายังไงสูญเสียแบบได้บุญ กับเสียแล้วก็เสียแลบากเสียใจต่างหากเป็นต้นเนี่ยนะแค่คิดจริงๆนะในโลกเนี้การได้หรือการเสียโดยเฉพาะการสูญเสียเนี่ยเสียแบบรู้สึกว่าเสียแบบได้หรือว่าเสียแบบเสียจริงๆเนี่ยนะก็อยู่ที่คิดเอาคิดเป็นแต่จะเลิมว่าในโลกนี้นะสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือใช่ไหมสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี่อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจของเรานั่นแหละ ทีนี้ถ้าหากว่าเราคิดเป็นเนี่ยเราจะสามารถเพิ่มพูนพัฒนาคุณภาพของใจเนี่ยจนมีคุณอันหาประมาณไม่ได้ก็อยู่ที่ใจที่เสียสละเนี่ยนะใจที่สละออกไปเอาคิดดูนะถ้าใจไม่สละกับใจที่คิดจะสูบเนี่ยมันต่างกันยังไงสมมติถ้าเรามีใจแล้วติดตั้งเครื่องสูบแล้เห็นอะไรแล้วสูบเข้ามาหมดเลยเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะนะแต่ถ้าคิดว่าไอสิ่งที่มีอยู่แล้วคายออกคายออกค า, ายออกเนี่ย อันไหนจะดีกว่ากันเนี่ยเราก็ลองคิดดูสองอย่างนี่ก็แล้วกันมันพระองค์เนี่ยให้ให้ใหทั้งหมดอ่ะนะเป็นการเสียสละไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่ให้จริงๆแล้วพระองค์ให้ทั้งอัอนนี้ก็เรียกว่าให้วัตถุทานที่ที่กล่าวไปทั้งหมดทานบารมีก็คือวัตถุทานนี่มาดูอภัยทานบ้างศีลบารมีนั้นเป็นอภัยทานว่าศีลังปุเรตวาอาเสสโตวความว่า อันผู้บําเพ็ญศีลของพระโพธิสัตว์เมียที่อย่างนี้คือการสํารวมกายหมายคาอว่าปิดปิดบาปทวานกายสํารวมวาจาก็คือปิดบาปทางวาจาสํารวมทั้งกายวาจา ก, ก็คือปิดบาปไม่ให้เกิดทางกายและวาจาสํารวมอินทรีย์ก็คือปิดแผลทั้งหกไม่ให้เชือ้อคือบาปอากุศลไหลเข้ามารู้จักประมาณในการบริโภคก็คือ ถ้าถ้าใช้คำว่ารู้จักประมาณในการบริโภคแปล ว, ว่ารู้จักประมาณในการสแสวงหารู้จักประมาณในการรับตลอดจนถึงบริโภคเป็นแล้วก็รู้จักประมาณในการเสียสละเป็นผู้มีอาชีพบริสุทธิ์ควรบําเพ็ญบารมีอันมีประเภทมีศีลบารมีศีและอุปปารมีศีลปรมาถิปรมีรมยังศีลทั้งปวงให้เต็มบริบูรณ์ให้ถึงพร้อมโดยชอบโดยไม่มีส่วนเหลือ มหมายค่ะว่าลักษณะของศีลคืออะไรก็คือปิดปิดประตูไม่ให้บาปไหลเข้าขณะเดียวกันก็ขุดบาปที่มีอยู่ในภายในแต่ลักษณะของศีลรวมๆก็คือปิดประตูบาปปิดประตูบาปได้เนี่ยคนมีศีลคนที่ปิดประตูไม่ให้บาปไหลเข้าไม่ว่าจะไหลเข้าทางกายทางวาจาทางใจไม่ให้บาปไหลเข้าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้อากุศลมันไหลเข้ามาได้เรียกว่าคนมีศีล เซนอันนี้คนที่จะปิดบาปเหล่านี้เนี่ยนะก็ต้องปิดแบบธรรมดาปิดแบบต้องสละเลือดเนื้อปิดบาปแบบสละชีวิตเนนะพันธ์จึงจะปิดบาปปิดอกุศลไม่ให้บาปอากุศลไหลเข้ามาได้แสดงว่าท่านเห็นคุณค่าของกุศลเนี่ยมากพระโพธิสัตว์เนี่ยคือผู้ที่เห็นคุณของกุศลที่สุดเพรันธ์การที่อกุศลเกิดขึ้นท่านมีความรู้สึกว่าถูกปล้นเนี่ยนะ เพราะว่าไอ้วัตถุภายนอกอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้ช่วยให้บรรลุโพธิญาณได้แต่กุศลที่มีอยู่ในใจเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้บรรลุโพธิญาณทีนี้ท่านทำยังไงโดยที่ไม่ให้บาปอากุศลมันไหลเข้ามาพอกพูนเพิ่มพูนคุณธรรมอันนี้จนกว่าจะได้ตรัสรู้เนี่ยนะมันก็เลยท่านตามรักษาศีลอย่างเช่นศีลวะนาคราชจำปะยะนาคราช หรือแม้กระทั่งชาติที่เป็นมหาวานรเป็นพญาช้างฉัตันนะนะศีลบารมีของพระโพธิสัตว์ครั้งเป็นสังฆปาละสังฆปาละนาคราชที่สละตนสละอัตภาพอย่างนี้ว่าเราไม่โกรธเคืองพวกบุตรพรานแม้จะแทงด้วยหลาวแม้จะทิ่มด้วยหอกนี้เป็นศีลบารมีของเราจะเอาอะไรมาทิ่มก็เอามาเถอะเนี่ยนะไม่โกรธหรอกเพราะถ้าโกรธก็ทูศีลเนี่ยนะหมายใา้ว่าถ้าโกรธเขาก็ตาย ถ้าโกรธเขาก็ตายเราจะปวดจะเจ็บยังไงก็ทนเอาเถอะเพราะตามรักษาศีลไม่ใช่ตามรักษาอัตภาพไม่ได้ตามรักษาเกล็ดงูไม่ได้ตามรักษาหนังงูไม่ได้ตามรักษาเนื้อเลือดของพญานาะคไม่ได้ตามรักษากระดูกแต่ตามรักษาศีลเพราะศีลนี่เป็นเหตุให้บรรลุโพธิญาณบัรจัดด้วยเหตุผลใดก็ตามก็ไม่ยอมเสียทรัพย์เสียศีล พราทรัพย์คือศีลเนี่ยจะช่วยให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะของเราให้ให้รู้คุณให้เลื่อมใสใจตั้งมั่นในท่านนี่ก็โอเคแล้วเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเอาแบบท่านจะต้องไปเป็นหน้าก่อนและต้องไปทนแบบท่านเขาอบอกว่าอะไรนะพ่อแม่อุตส่าห์สแสวงหาทรัพย์มาเหนื่อยแทบตายลูกก็บอกไ ม, ไม่เอาไม่เอาฉันจะต้องไปเดินตามแกะรอยพ่อแม่มาทุกอย่างนะก็เหมือนบางคนก็บอกว่า ถ้าสมมติถ้าเป็นชาวนาก็เห็นชัดะ่ะพ่อแม่นี้อาบเหงื่อต่างน้ำเนี่ยนะกว่าจะถางป่าทำไร้ไถนากว่าจะได้ข้าวมาลูกก็าโอ้ยสำนึกในพระคุณพ่อแม่เหลือเกินเดีย๋ยลูกไปถางป่าทำตามพ่อแม่ทุกอย่างเลยนะบอกไม่ต้องหรอกลูกเอ้ยอ่างนั้นนะพ่อแม่ทำทั้งหมดก็เพื่อให้ลูกบริโภคให้ลูกกินทานไปเถอะฉันใดเราศึกษาพระธรรมก็เหมือนกันอย่าลืมว่าการศึกษาพุทธคุณทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อสร้างเสริมสัจทินรีของเราให้มีศรัทธา ม, มั่นคงใน พระองค์ว่าพระองค์ทำทุกอย่างเพื่อเราแต่บางคนที่ศึกษาไม่ดีเนี่ยนะนึกว่าพระพุทธเจ้าเขียนมาให้เราไปทำแบบนั้นนะนึกว่าพระองค์สอนให้เราไปไปทำแบบนั้นถ้าทำแบบนั้นก็ได้ถ้าสนใจใปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ทำเธอก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่พระองค์กล่าวอย่างนี้สอนเช่นนี้เพื่อให้มีศรัทธา ม, มั่นคงในพระองค์ว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ทรงกรุณาจริงๆ ทำทุกอย่างด้วยกรุณาหวังปลดเปลื้องสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์หวังให้สัตว์ทั้งหลายบรรลุถึงความสุขที่แท้จริงเนี่ยนะนนการที่เราฟังจริยาปิดอกให้ทราบซึ่งในพระคุณของพระองค์นี่ก็ถือว่าเป็นบุญของเราอย่างยิ่งแล้วเนี่ยนะเป็นกุศลจิตยอย่างยิ่งแล้วที่เราได้นับถือผู้ที่ควรนับถือได้บูชาบุคคลที่ควรบูชาได้เลื่อมใสในวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสเนี่ยนะ ได้กร่วว่าได้ศาสดาผู้เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมได้ศาสดาที่สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลสแสวงหาความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะราก็ดีใจแล้วว่าพระองค์นี่สแสวงหาโพธิญาณเนี่ยพระองค์สแสวงหาได้ยากนะกว่าจะมาสั่งสอนพวกเราควรแล้วหรือที่เราจะปล่อยปละละเลยประมาทก็อย่างที่ว่านั่นนะไมค่คงไม่กล้าบอกโอ้พระองค์ทามาด้วยความเหนื่อยยากแกล้งไม่รับมรดกของพระองค์เลย ใช่ไหมแกล้งไม่เอาเลยไงอ ย, อ ย, อยากคิดอย่างงาั้นเดี๋ยวจะเสียใจพระพุทธเจ้าสุขโตแล้วอบอกไม่ดือนร้อนอยู่แล้วล่ะ